ก็คือสรุปว่าพวกนี้ต่อด้วยกสินได้เลยทุกอย่างเหล่านี้นะแม้กระทั่งน้ําดีน้ำเสเลน้ำหนองน้ําเลือดเหงื่อมันข้นพวกนี้ก็ต่อด้วยกสินถ้าหากว่าอดีตเขาเป็นผู้สั่งสมพวกวันนักะสินมาเช่นสั่งสมกสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะอดีตชาติมาบั้นพิจารณาอาการสามสิบสองไปพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นว่าได้กสิน พวกนี้จะเป็นเกสินที่ไม่บริสุทธิ์ขาวก็ไม่ใช่ขาวล้วนเขียวก็ไม่ใช่เขียวแท้แดงก็ไม่ใช่แดงสดอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แดงแท้ๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าใครมึขาวขาวจริงๆยังกระสีขาวเลยจริงๆในร่างกายไมีมีไหมไมันมีหรอกมันจึงไม่ใช่อะไรว่าพวกนี้จึงไม่ใช่เป็นเกสินแท้ๆเลยแต่เป็นเกสินที่แปรมาจากการเจริญ อาการสามสิบสองส่วนผู้ที่มีปัญญามากพวกนี้จะมนัศการอาการสามสิบสองเหล่านี้แหละโดยความเป็นธาตุจะมว่าเช่นปฐวีเออเข้าไปผมผมตั้งอยู่บนหนังศีสั์มันรู้ไหมว่ามันตั้งอยู่บนหนังศีสับมันก็ไม่รู้ต่างฝ่ายก็เป็นอะไรอยกตะอาเจตนา นะคือตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นบุญเป็นบาปทั้งผมทั้งหนังศีรษะเป็นต้นก็พวกนี้อาจเจตนาคิดนึกไม่ได้สุญญะว่างจากความเที่ยงว่างจากความงามว่างจากความยั่งยืนและว่างจากอัตตานิชีวะไม่มีสัตว์ชีวะบุคคละอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภารชนทั้งหลายคิดขึ้นกันไม่มีผั น, นคล้ายที่พิจารณาอย่างละเอียดเหล่านี้ถ้ากําหนด ปทวีธวาตได้ก็กาหนดอาโปธาตได้ถ้ากาหนดอาโปธาตได้เตโชธาตก็ย่อยสลายอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นย่อยสลายวายโยธาตก็คือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละพัดผันไปช่องว่างของสิ่งเหล่านี้คืออากาศธาต์กายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณธาตและเป็นอารมณ์ของวิญญาณธาตก็จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นธาต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 ไม่มีใครมีอำนาจอะไรที่แท้จริงเนะแต่กายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของอะไรธาตุวิญญาณธาตุทั้งหลายนี่ถ้าอาการสามสิบสองเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ามากระจายตามเอ่อเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกคืออายตนะอายตนะเนี่ยแปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกเป็นบอ่อเกิดแห่งจิตเจและเจตสิกเพราะฉะนั้น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 ขณะเดียวกันเนี่ยสีอะนะสิ่งเหล่านั้นก็มีสีเกิดร่วมด้วยทั้งหมดก็เป็นที่อารมณ์ของของของของจิตเจตสิก ท, ท่านตาเป็นบอ่อเกิดในฐานะเป็นวัตถุบ้างเป็นทวารบ้างสีรูปายตนะเป็นบอ่อเกิดในฐานะเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิก ท, ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งถ้าผู้ที่กําหนดผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะจะพิจารณา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 เพื่อจิเตเจตสิกจะได้ประชม um กันประช um ุมทําไมประชม um สร้างตา <laughs> ประชม um เพื่อสร้างตาเพราะถ้ามีหูกับเสียงหูได้ยินเสียงจิเตเจตสิกเกิดขึ้นก็จิตเจตสิกประชมกันขึ้นเพื่อสร้างหูต่อไปนะเมื่อมีจมูกมีกลิ่นจมูกรู้กลิ่นก็เพื่อให้จิตเจตสิกเกิดจิตเจตสิกเกิดก็เพื่อสร้างจมูกต่อไปนะมีลิ้นมีรสจริตเจตสิกก็อาศัยสิ่งเหล่าเนี้เกิดขึ้น จิตเจ ต, ตสิกเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็เพื่อสร้างสร้างเลนอีกต่อไปกายกับโพธพภะเนี่ยนะกายกับโพธาภะก็เป็นบ่อเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจ ต, ตสิกเพื่อสร้างกายต่อไปเพราะั้นตัวตัวที่อาศัยเกิดทางทวารตาก็คือตัวมานายตนะกับธรรมายตนะตัวอาศัยเกิดทางอายตนะคือตากับสีก็คือ มา hm ja Arizona, sure. right. นายตนะกับธรรมายตนะท่านอายตนะคือมานายตนะกับธรรมายตนะอาศัยจักขวายตนะกับรูปายตนะเกิดท่านขณะเห็นเนี่ยอายตนะสี่อย่างประชุมกันขณะเห็นนะอายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือจิตคือมานายตนะอายตนะคือเจตสิกคือธรรมายตนะเนี่ยนะทัานขณะที่เห็นเกิดขึ้นได้ คือการประชมแห่งอายตนะสีขณะที่ได้ยินเสียงก็อายตนะสี่ประชมกันอายตนะคือหูอายตนะ ค, คือเสียงมนา อ, อายตนะคือโสตวิญญาณและเจตสิก ท, ที่ประกอบกันขึ้นดังั้นขณะที่ได้ยินเสียงที่ดังลังอยู่นี้อายตนะสี่อย่างประชุมกันหายใจรู้กลิ่นก็อายตนะสี่ประชมกันคืออายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่น มานายตนะคือขานวิญญาณเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นธรรมายตนะรู้รสนี่นะส้าใครอมลูกอมเนี่ยนะก็มีอยตนะเท่าไหร่เกิดขึ้นสี่สอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือชิวหาวิญญาณและเจตสิกที่เกิดร่วมเป็นธรรมายตนะเพทั้งขณะรู้รสก็อายตนะสี่ประชมกันรับกระทบโพธะนะตั้งกระศีษะจดปลายเท้า เช่นมานาสิกานตรงไหน ก, ก็มีความรู้สึกใช่ไหมมนาสิกานตรงหน้าจิตเจริญสิกก็เกิดที่หน้ามานากะพิษตาจิตเจริญสิกก็เกิดตรงแถวๆที่ไม่ใช่ตัวตานะตรงที่แถวๆรอบบริเวณเทียบที่กระพิษตาขยับนิ้วขยับมือขยับตามร่างกายเนี่ยนะทุกถ้ามีมานายตนะคือกายาวิ ญ, ญญาณเกิดที่ใดให้รู้ว่าที่นั่นเนียยตนะสี่ประชุมกันคือกายายตนะโพธพายาตนะ กายายตนะกายาวิญญาณคือมานายตนะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตรงนั้นเป็นธรรมายตนะเดี๋ยวนะพั น, ค, นคันนี้อายตนะเท่าไหร่สีส่ประชมกันเนี่ยนะกลือน้ําลายอ่ะสี่สนะกลือน้ําลายไม่ได้พูดที่ทวารลิ้น้ยที่ลําคอลงไปแล้วนี่ก็มีอายตนะอยู่สี่พนปวดหัวตัวร้อนพวกนี้ทั้งหมดนี่มีอายตนะสี่ประชุมกัน ขณะที่นึกคิดอายตนะเกี่ยวยตนะประชุมกันคิดไปเรื่อยตรงๆแล้วมีสองคือมานายตนะกับธรรมายตนะเนี่ยอายตนะเหล่านี้ในฐานะเป็นบอ่อเกิดเป็นที่ประชุมเป็นที่สืบต่อแห่งสังสารทุกข์การประชุมพร้อมแห่งอายตนะเหล่านี้คือการประชุมพร้อมแห่งทุกทุกไหนทุกทุกขังอ่ะไห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 อีกร้อยปีข้างหน้าจะมีไหมไ ม, มีแต่ไอ้ระหว่างเนี่ยนะเกิดขึ้นคนละหกเจ็ดแปดสบเก้าสิบปีเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมนั่นแหละแต่แล้วจากไม่มีแล้วมีขึ้นมีขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อไปไม่มีเหลือแล้วเนี่ยนะก็ะอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอายตระนัมันประชุมแห่งกองทุกที่มีอยู่ชั่วคราวชั่วสมัยนั้นๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าแบ่งก็คือธาตุธาตุ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 จักขรายตนาคือจักขูปธาตุรูปายตนานั่นแหละคือรู ป, ปรธาตุเป็นที่อาศัยเกิดของจักขรวิญญาณธาตุและธรรมธาตุคือเจตสิกก็เกิดร่วมขึ้ น, นทั้นขณะเห็นจริงๆก็ธาตุสี่ประชุมกันจักขูปธาตุรู ป, ปรธาตุจกักรวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเจตสิตกทั้งหลายเป็นธรรมธาตุหูได้ยินเสียงก็ธาตุสี่ประชุมกันโสตธาตุ สัทธาตุโสตวิญญาณธาตุและธรรมธาตุขณะรู้กลิ่นธาตุสี่ประชุมกันขานาธาตุขันธธาตุขา น, าขานาาวิญญาณธาตุและธรรมธาตุขณะรู้รสก็ธาตุสี่ประชุมกันเชียวหาธาตุราาัศธาตุเชียวหาวิญญาณธาตุและธรรมธาตุ เวลากายรับกระทบโพธาภะเนี่ยธาตสี่ประชุมกันรับกระทบโพธาภะคือกายธาตุโพธาภะธาตุกายวินญาณธาตุเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็เป็นธรรมธาตุไอตัวมโนธาตุคืออะไรฮะมโนธาตุคืออะไรธาตุก่อนเห็นกับหลังเห็นง่ายๆกันะก่อนจะเห็นเนี่ยมโนธาตุเกิดก่อนหลังจากเห็นก็มโนธาตุเกิดก่อนได้ยินกับหลังได้ยินเนี่ยมโนธาตุเกิด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 รถรับกระทบผละพระอันนี้เป็นมโนธาตุฝ่ายวิบากเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะใครที่ยังไม่เรียนอนระิยธรรมาก็จะได้ฟังบุญไปก่อนวันหลังไปเรียนอนระิยธรรมจะได้ไม่ยากมันเกิดพร้อมกันเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเนี่ยนะมันเกิดพร้อมกันจิตกระเจิดะสิกะอะไรเกิดก่อ น, นอเกิดพร้อมกันแต่จิตในฐานะเป็นประธานเนี่ยนะ มโนธาตุที่ใดมีมโนวิญญาณธาตุเกิดที่นั่นก็ต้องมีธรรมธาตุอยู่แล้วธาตุที่เหลือบางธาตุก็นในฐานะเป็นเป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณธาตุบ้างเป็นอารมณ์ของธรรมธาตุบ้างจากักรวิญญาณธาตุเนี่ยนะจิตธาตุเห็นคือจกักรวิญญาณเนี่ยความสามารถรู้ได้แค่สี โสตวิญญาณก็รู้เอ่อโสตวิญญาณธ า, า, าตุก็รู้ได้แค่เสียงคานวิญญาณธาตุก็รู้ได้แค่กลิ่นชิวหาวิญญาณธาตุก็รู้ได้เฉพาะรสกายาวิญญาณธาตุก็รู้ได้เฉพาะโพธพภะมโนธาตุรู้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะส่วนมโนวิญญาณธาตุไร้ขอบเขตรู้หมดเลยรู้ทั้งบัญญัติรู้ทุกเรื่องเลยนะเรื่องไม่ควรรู้มันก็รู้ด้วยนี่สิ ลำบากมากไอ้เรื่องที่ควรรู้ก็ไม่รู้เนี่ยนะนะอริยศาสตร์ควรรู้มากก็ไม่รู้เนี่ยนะนะรู้ที่เป็นใจกับโลภโกรธลงนี่รู้จังเลยนะรู้บ่อยมากอย่างงี้ยนะนี่ไม่ดีอันมโนธาตอมโนวิญญาณธาตุเนี่ยเกิดเกิดกับอขออภยัยมโนวิญญาณธาตุเกิดได้ทุกทวารและรับอารมณ์ได้ทุกอารมณ์